เหมือนกับอะไรนะแม้สาหาเสียงยกใหญ่เลยจะได้เป็นนายกเพื่อให้คนเอาดอกไม้มาให้อย่างเงโอ้ยมันจะไปคุ้มค่าอะไใช่ไหมทําเหนื่อยแทบตายเพื่อต้องการดอกไม้อะไรนะคือเขาซื้อข้างทางมาไวเอามาฝากเนี่ยนะเอาดอกไม้มาฝากเลยโอ้เนี่ยเหรอํามาแทบตายเนี่ยได้ดอกไม้พวงเดียวอย่างเงี้ยเหรอะไม่น่าสนใจอะไรดอกไม้สดสีสวยมันก็เดี๋ยวก็เฉาหมดสภาพแล้วล่ะแตปลไรเนี่ยนะเดี๋ยวก็ได้ขยะกองดอกไม้เต็มไปหมดเนี่ยนะ บอกงานแต่ละงานเนี่ยเชื่อไหมโอไอ้วันที่ประดับทุกคนตเต็มอกตเต็มใจยิ้มแย้มยันใสค้นดอกไม้ไปบูชาประดับประดานเนี่ยนะไอ้วันเก็บขยะเนี่ยโอ้เราห้อยกันเลยนะีมีใครช่วยเก็บขยะเลยนะสังเกตวัดทั้งหลายนี่เป็นอย่างนั้นกว่าจะเก็บขยะดอกไม้เสร็จตั้งร้อยวันเนี่ยนะคืออยากให้คิดสองด้านด้วยเหมือนกันอะนนะว่าสิ่งที่เราว่าดีอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ให้มองสองด้านเอาไว้เลยนะนะอัศานหน้ายินดีมันก็มีความ ร่วงโรยแล้วก็โรยราตรงนั้นแล้วเนี่ยนมาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพิมพ์พระพุทธคุณแจกดีกว่ามันไม่เฉาดีนะนะสรุปทบทวนบอกว่าพระองค์ไม่ได้บาเพ็ญบารมีมาเพื่อต้องการต้องการอะไรต้องการดอกไม้เป็นต้นเครื่องสักการะเหล่านี้นะบอกว่าอานอนท์เราตถาคตมอบอยู่เ ท, ท้าของพระพุทธเจ้าพระนามวับบาถีปังกน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 พราจะไปทําอะไรแล้วบูชาคันเทือยญาติโยมมาร่วมกันบูชาสันเซิญแต่เรื่องบูชาก็จะกลับไม่สนใจพระธรรมคาทำทำสอนนะจะไม่พาการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามคําสอนมาชาักชวนกันแต่งดอกม้อย่างเดียวเพื่อเป็นพุทธบูชาช่วยการแต่งเนี่ยนะและอ้การอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะวัตถุบูชาด้วยมหาพูดมหาพูดมันก็กัดเอา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 ในที่สุดก็เปื้อนบาปเนี่ยนะเอาของที่เขาทําพุทธบูชาเป็นต้นไปใช้อย่างผิดๆเนี่ยนะเป็นที่อาศัยแห่งเหลือบยุงลมนะเป็นที่อาศัยของเหลื่อยยงเป็นต้นเนี่ยนะก็ไปสแสวงหาผลประโยชน์จากบริเวณตรงนั้น เ, เรียกว่าภาษาง่ายๆเรียกว่าขายกระดูกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในที่สุดก็กลายเป็นว่าเอาพระบรมสารีริกธาตุเป็นคุยควรบูชาก็กลายเป็นว่าเป็นที่ทํามาค้าขายนียนะมันก็กลายเป็นคนละเรื่องกันไปเลยเนี่ยนะ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 ไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าของมาไม่ทำนะของมาก็บูชาเหมือนกันแหละทูบดอกไม้ทูบเทียนเทียนนีนจุดเป็นพันเล่มเหมือนกันเลแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะหลงประเด็นดนะนะหลงประเด็นวโอ้ยม่หาดอกไม้หาทูบหาเทียนหาโน่นหานี่ น, นะจนจนจนอะไรบกงุ่นอยู่กับสิ่งนั้น หมดเวลาไปแต่ละปีผ่านไปแต่ละปีผ่านไปเนี่ยนะบางทีก็ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติคําสอนอะไรหรอกไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบูชาไปบูชามาอาจจะพระพุทธเจ้าคนละองค์ตั้งนานแล้วนะไม่รู้บูชาพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรบอกไม่รู้อ่ะเขาว่าพระพุทธเจ้าก็แล้วกันบูชาไปบูชามาเนี่ยกลายเป็นว่าบูชาชื่อตัวเองติดชื่อไว้หน่อยอนะ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 นะกลายๆเพราะอะไรเพราะจะต้องมีชื่อข้าพเจ้าถ้าไม่มีชื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ทํานะอย่างงี้ยนะก็เลยกลายเป็นว่าทะเลาะกันว่าต้องมีชื่อเราอยู่ด้วยนะโอ้กลายรู้บูชาใครกันแน่อันถ้าบูชาพระพุทธเจ้าก็ตั้งนะโมตัสสะสิเอนะเขียนว่านะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธะบูชานะธรรมบูชาสังฆบูชาก็ต้องเขียนว่าอย่างนี้สิถ้าเขียนชื่อข้าพเจ้าก็แปลว่าบูชาข้าพเจ้าหรือบูชาโดยข้าพเจ้าผู้ชื่อว่า ต้องทบทวนอีกทีว่าเจาะจงต่อพระพุทธเจ้าหรือเอาชื่อของเราไปแปะใกล้ๆบริเวณที่พระพุทธเจ้าเลยนะมันก็ต้องพยายามทบทวนอีกทีว่าทำเพื่ออะไรทําโดยมีจุดหมายอย่างไรต้องการอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรสอบสวนให้ดี น, นิสส ม, มะการนังเสยโยใครกครวไนรอบครอบละเอียดครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วค่อยค่อยคิดค่อยทำเนี่ย น, นะ เมื่อทำอย่างนี้แล้วจะมีผลมากมีอานิสงส์มากทำแบบคนรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นตั้งที่ตั้งแห่งความเจริญเราทำแล้วก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขที่นี้คนที่บูชาเนี่ยนะโดยเฉพาะพระพิสูน์ทั้งหลายถ้ามาขวนขวายในกิจในการบูชาเป็นต้นอย่างเดียวจนแม้กระทั่งว่าสร้างวัดได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเถอะศาสนา ไม่สามารถดํารงอยู่ได้แม้แต่ชั่วโมงเดียวถ้ามาขวนขวายในการบูชาท่านบอกว่าศาสนาคืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญาจะดํารงอยู่แม้ชั่วดื่มข้าวยาผู่ครั้งหนึ่งได้ก็ไม่มีแปลว่าศาสนาหยุดไม่ได้แม้แต่ชั่วโมงเดียวเพราะอะไรเพราะมีสิกขาอธิศีนอยู่ตรงนั้นนั่งไหมถ้าทุกคนสมมติถ้าเรามองภาพเป็นรูปธรรมถ้าทุกคนมาประโคมดนตรีร้องเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะ จะมาศีลข้อไหนเอาสมถะและวิปัสนาข้อไหนพูดตับกระถันสมัยเป๊ะอะไรเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนวันที่ก่อนจะมานี่ไปไหว้ไ ป, ไปไปสวดสรรเสริญน่ะนะพุทธานุสติธรรมานุสติที่สุขโขทัยมาไปสวดมนต์ข้างหลังโอ๊ยเปิดเพลงสาญาสัญญาร้องดังสนั่นเมืองกันไปหมดข้างหน้าข้างๆตรงนั้นนะ่ะ น, น, นะข้างหน้าก็มีแต่เพลงอะเรก็สวดมนต์ไปก็เสียกสวดกลบเนี่ยนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเน้นการบูชาด้วยเสียงเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยพเพลงประโลมโลกทั้งหลายถ้ามันดังกระหึ่มบริเวณพระเจดีย์ก็ใครจะไปเจรานาที่ศีลนาทีจิตอธิปัญญาจะไปไปสรรเสริญพุทธานุสติเป็นต้นก็นไม่ใช่แล้วหนักหนักเข้าก็ไม่รู้ว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าสักกี่นาทีเนี่ยนะโดยชวนาจิตโดยสภาพแห่งความคิดอยู่กับพระพุทธเจ้ากี่นาทีเนาะอยู่กับทำซสอนกี่นาทีอยู่กับความปฏิบัติในศีลสมาธิตัญญา กี่นาทีเพราะฉะนั้นไอการบูชาด้วยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยศาสนาดำรงอยู่ไม่ได้แม้แต่ชั่วโมงเดียวจริงอยู่ท่านบอกว่าสร้างวิหารเช่นกับมหาวิหารเจดีเป็นพันเจดีเช่นกับมหาเจดีคือมหาเจดีก็ อ, อะไรสุวรรนณะมาลิกาเจดีใหญ่ไหมขนาใหญ่นะสุวรรนณะมาลิกาเจดีก็คิดถึงคนครปฐมก็แล้วกันนะ สร้างเหมือนกับว่าสร้างพระองค์พระปถมเจดีย์แต่ในคำดีท่านบอกว่าปถมเจดีย์อาจจะไม่มีในยุคนั้นนะนะก็คือว่าเจดีย์ที่สีลังกาสุวรรณนัมาลิกาเจดีย์ใหญ่มากเลยนะแล้วก็เดินรอบเนี่ยอีกฟากหนึ่งตะโกนอีกฝั่งไม่งดีนำะใหญ่มากขนาดนั้นใหญ่จริงๆนันะใหญ่อย่างนั้นถ้าบอกว่าสร้างเป็นพันพันองค์ก็ดำรงาศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ดำรงอธิสีน์อธิ จ, จิตและอธิปัญญาไม่ได้แต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ พรทุกคนไปถึงก็ไหว้ไว้วเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วได้บุญแล้วได้บุญกลับบ้านแล้วศีลเหลือไหมสมาธิเหลือไหมปัญญาเหลือไหมไม่เหลือแล้วพระองค์บำเพ็ญบารมีต้องการให้แค่คนมายกมือมากรากบมาไหว้เอาดอกไม้มาวางต่อหน้าหลุมตัวไอต่อหน้าอะไรนะพระธาตุตัวเองเท่านั้นหรือสร้างบารมีมาเพื่อเท่านี้หรืออ่ะเหมือนกับอะไรเนะี่เหมือนกับบางคนก็คิดว่าเออเนี่ยตายไปแล้วใครเอาพวงหรีดมาวางหน่อยก็ดีใจแล้วเนี่ยนะ ม่จะไปว่าอะไรก็เหมือนกับตัดผมไปวางเสร็จแล้วให้คนดอกไม้ไปบูชาดูสิเอ้าเราจะคิดว่ายังไงอนะใครเคยตัดผมแล้วเอาไปผมไปทิ้งเหรอทิ้งที่ไหนสักแห่งก็ได้เอ้าแล้วเอาใครเอาดอกไม้ไปบูชาเกสาของเราผมของเราเนี่ยทําจริงเราจะดีใจไหมตัดเล็บเสร็จแล้วไปวางไว้บางแห่งแล้วคนเอามากราบมาไหว้เนี่ยเราเห็นแล้วก็เศร้าใจแังนั้นนหะ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 คำนวณว่าถ้าหากว่าเจดีเป็นองค์เจดีเป็นทองหมดเจ้าวาดนอนไม่หลับหรอกเจ้เหอะเดือดร้อนตายเลยเนี่ยนะมาคิดแล้วเนี่ยนะมาตอนก่อนก็เอาดองไปวางกันเนี่ยแล้วเจดีมันกระจกโอ้ยจะไปไหนใครที่ดูแลบอกนอนไม่หลับหรอกนะใครเป็นเจ้าวาดก็นิมนต์เธอเนี่ยนะมันก็ลําบากพันศาสนาอาธิสินดารงอยู่ไม่ได้อธิจิตก็นารงอยู่ไม่ได้ ของดีมีค่าประนีอยู่ที่ไหนอธินนาทานก็อยู่ที่นั่นการทุจริคตคดโกงทั้งหลายก็อยู่ที่นั่นเมื่อทุจริคตคดโกงจะไปไหนก็ทําลายศีลแล้วเมื่อศีลถูกทําลายแล้วสมถาวิปัสนาเป็นต้นก็ถูกทําลายเมื่อสมถาวิปัสนาถูกทําลายแล้วมรรคผลนิพพานก็ชื่อว่าถูกทําลายแล้วเพราะฉะนั้นการบูชาด้วยอ ม, มิตรทั้งหลายจึงไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาพระองค์เพราะไม่สามารถทําศาสนาของพระองค์ให้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 ดีไม่ดีก็นะเวจีทุจริตบานเบอะอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าความทุศีน ร, ร่วงหล่นอยู่แถวแถวนั้นเต็มไปหมดทะะ่้นคนที่จะทําพุทธบูชาอย่าลืมศีนด้วยนะเพราะว่าศีนเนี่ยเป็นการบูชาที่สูงกว่าทานสูงกว่าบูชาด้วยมหาพูดอย่าลืมเมตตาเป็นต้นด้วยนะอย่าลืมคุณธรรมชั้นสูงชั้นสูงต่อไปอีกนะไม่ใช่ว่าแหมตัดตอนตัวเองในคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการบูชาที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็บูชาด้วย